จะลองพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเงื่อนใสในพระพุทธศาสนาทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศน์ฟังธรรม มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่ประเสริฐเลื่อนโลกไม่มีคำสอนของผู้ใดในโลกนี้จะดีเท่าจะประเสริฐเท่ากับความคำสอนของพระพุทธเจ้าและเปียบเป็นเพชรนินจินดาก็เป็นเพชรน้ำหนึ่งที่ไม่มีเพชรชนิดไหนจะมาเทียบคุณค่า ความสวยงามต่างๆได้เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่จะช่วยดับความทุกข์ภายในใจของสรรโลกให้หลมดไปได้นะกรจัดภพชาติคือการเวียนว่ายตายเกิดที่มีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตาย ความพัดพลาจากสิ่งที่เรารักจากบุคคลที่เรารักดังนั้นการมาวัดจึงมาเพื่อมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเราไม่ศึกษาคำสอนเราจะไม่รู้ว่าเราต้องปฏิบัติเราต้องทำอะไรกันอย่างไรถึงจะทำให้เราสามารถ หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เบื้องต้นขั้นที่หนึ่งก็คือต้องศึกษาพราะธรรมคําสอนของพระพระเจ้าภาษาพระท่านเรียกว่าปริยัติธรรมปริยัติธรรมคือการศึกษาคําสอนของพ่อพระพเจ้าพอได้ศึกษาได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทําอะไรให้ปฏิบัติอะไร เราก็นำเอาไปปฏิบัติกันคือขั้นที่สองเรียกว่าปฏิบัติธรรมนะขั้นที่สามพอเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัติเรียกว่าปฏิเวทธรรมธรรมของพระเจ้ามีสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งคือปริยัติธรรมขั้นตอนที่สองคือปฏิบัติธรรมและขั้นที่สามคือปฏิเวทธรรมนะ ทำสามขั้นนี้มีความเกี่ยวเนื่องกันเหมือนขั้นบันไดก่อนที่จะขึ้นสู่ชั้นที่สองได้ก็ขึ้นสู่ชั้นที่หนึ่งก่อนพอขึ้นชั้นที่หนึ่งแล้วก็ค่อยขยับขึ้นขั้นที่สองจากขั้นที่สองก็จะไปสู่ขั้นที่สามพอได้ขั้นที่สามแล้วก็ไปสู่ขั้นที่สี่คือเผยแผ่สิ่งที่เราได้เรียนรู้ ที่เราได้บรรลุผลมานะเหมือนกับการศึกษาทางโลกทางโลกเราก็ต้องศึกษาชั้นต่างๆจากชั้นอนุบาลขึ้นสู่ชั้นประถมสู่ชั้นมัธยมสู่ชั้นปริญญาชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกพนะอเราจบปริญญาตรีแล้วทีนี้เราก็ไปเป็นอาจารย์ไปสั่งสอนคนนั้นคนนี้ได้ อันนี้ก็เหมือนกันทางศาสนาทางพระพุทธศา ส, าสนาก็เช่นเดียวกันขั้นต้นเราต้องเป็นนักเรียนก่อนเราต้องศึกษาให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำอะไรกันพอเรารู้แล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติพอเราปฏิบัติแล้วเราก็จะสำเร็จเรียนได้รับผลจากการปฏิบัติได้รู้วิธีที่จะดับความทุกข์ต่าง ที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปกำจัดการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดสิ้นไปพอเรารู้แล้วขั้นต่อมาก็เราสามารถที่จะเอาความรู้วิธีการปฏิบัติเหล่านี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นให้ถูกต้องแม่นยาให้ได้รับผลอย่างแน่นอนได้ถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติ เรายังไม่ได้บรรลุเราเพียงแต่ได้ศึกษาแล้วเราไปสั่งสอนคนอื่นความรู้ที่เราได้รับจากการเรียนรู้นี้ยังเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องร้อยเอร์ซเพราะเรายังไม่รู้ว่าคำความรู้ที่เราได้เรียนรู้นี้จะเอาไปดับความทุกข์ได้จริงหรือไม่ เราต้องเอาไปปฏิบัติก่อนไปพิสูจน์ก่อนว่าความรู้ที่เราได้เรียนรู้มานี้สามารถดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ถ้าเราไม่ไปพิสูจน์เราไม่รู้บางทีเราอาจจะไปปฏิเสธก็ได้คำสอนของพระพุทธเจา้าบางคำสอนเราอาจจะไม่ชอบเราก็จะไม่สอนพอเราไม่สอน มันก็จะไม่ได้ผลคำสอนอะไรที่เราไม่ชอบคำสอนของพุทธเจ้าที่เราไม่ชอบกันก็คือให้เราละกถึงความตายกันอยู่เรื่อยให้เราพิจารณาความไม่สวยไม่งานของร่างกายของเราว่ามันสกปรกมันมีลักษณะที่ไม่น่าดูเช่นมีตับมีไตมีหัวใจมีปอด มีลำไส้มีอุจจาระปัสสาวะของที่ไม่เด่นหน้าดูหน้าชมของที่ไม่สวยไม่งามของพวกนี้ในสายตาของพวกเราเราจะรู้สึกว่าไม่น่าชื่นชมยินดีไม่น่าศึกษาไม่น่าเรียนรู้เราก็จะปฏิเสธเราจะไม่ยอมเรียนเรื่องของความตายเรื่องของความแก่เรื่องของความเจ็บ เรื่องของความไม่สวยงามของร่างกายถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้เราจะไม่สามารถที่จะไปกาจัดความกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายได้ถ้าเรายังกลัวความแก่ความเจ็บความตายเราก็ยังจะต้องทุกข์ต่อไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย เราต้องศึกษาเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าใครแก่ใครเจ็บใครตายกันแนะ่เราแก่เราเจ็บเราตายหรือว่าร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายร่างกายเป็นเราหรือเปล่าเราเป็นร่างกายหรือเปล่าอันนี้พระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาแล้วเราจะสามารถแยกแยะความจริงออกมาได้ ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นบ่าวเราเป็นนายเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆเหมือนกับเราเป็นคนขับรถยนต์รถยนต์เป็นผู้รับคําสั่งของคนขับคนขับสั่งให้สตาร์ทสั่งให้วิ่งมันก็วิ่ง ถ้าสั่งให้มันจอดมันก็จอดแต่คนขับกบรถนี้เป็นคนละคนกันเวลารถเสียรถพังไปคนขับไม่ได้เสียไม่ได้พังไปกับรถยนต์ฉัน้นใดร่างกายของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นร่างกายของพวกเรานี้ <c oughs> มันไม่ใช่เป็นเรามันเป็นเหมือนรถยนต์ชันหนึ่งเราเป็นเหมือนคนขับ เราเป็นคนสั่งให้ร่างกายนี้ทำอะไรต่างๆเช่นวันนี้เรามาวัดได้ก็เพราะว่าเราสั่งให้มันมาวัดสั่งให้ลุกขึ้นพอตื่นนอนขึ้นมาก็สั่งให้ลุกขึ้นเตรียมตัวแต่งเนื้อแต่งตัวเอาข้าวเอาของต่างๆขึ้นรถออกเดินทางมาเนี่ยคนที่สั่งก็คือเราแต่คนที่รับคำสั่งก็คือร่างกาย เราต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันถ้าเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เป็นเราแล้ ว, ลวทีนี้เราก็จะไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายของร่างกายเพราะเราไม่ได้แ ก, ไ ก, กไไไ่ไปกับร่างกายไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปกับร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอเราเห็นความจริงอันนี้ ต่อไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราก็จะไม่เดือดร้อนเหมือนกับคนอื่นเวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราเดือดร้อนไหมอย่างคนที่นั่งอยู่ในศาลาเนี่ยที่เราไม่รู้จักมากคุ้นี่ถ้าเกิดเขาแก่เขาเจ็บเขาตายไปเราเดือดร้อนหรือเปล่าเราไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นเขาเขาไม่ได้เป็นเราเขาแก่ไม่ได้ทำให้เราแก่ เขาเจ็บไม่ได้ทำให้เราเจ็บเขาตายไม่ได้ทำให้เราตายเราก็เลยไม่เดือดร้อนเพราะเรามีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าร่างกายของคนอื่นนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้เราก็ต้องมาดูที่ร่างกายที่เรามีอยู่นี้ที่เราคิดว่าเป็นของเราใครบอกว่าเป็นของเรามีใครบอกหรือเปล่าเกิดมานี่เกิดมากับร่างกาย ก็มีแต่คนไม่รู้บอกเราพ่อแม่บอกเราว่าร่างกายนี้เป็นตัวเธอนะอันนี้ก็เป็นความเห็นผิดนะเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิจึงต้องมีคนฉลาดมาแก้ความเห็นอันนี้คนฉลาดก็คือพระพุทธเจ้านี่องถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธเจ้าไม่ได้มาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีคนบอกเราว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพอไม่มีคนรู้มีแต่คนหลงบอกเราว่าเป็นตัวเราของเราเราก็เลยต้องมาเครียดมาทุกข์กับร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรก็วุ่นวายใจขึ้นมาทั้งทั้งที่ใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแต่ใจกลับเดือดร้อนมากกว่าร่างกายเดือดร้อนเสียอีกร่างกายเขาเป็นอะไรเชื่อไหมเขาไม่เดือดร้อน เขาแก่เขาก็ไม่เดือดร้อนเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ไม่เดือดร้อนเขาตายเขาก็ไม่เดือดร้อนตัดผมเขาไปเขาไม่เดือดร้อนโกนผมไปผมไม่เดือดร้อนแต่ใจเป็นผู้เดือดร้อนใจไม่ยอมให้โกนกันเร่องไหมผมพวกเราเนี่ยลองโกนดูเลยดูว่าผมมันจะร้องไหมมันจะขอร้องอยากตัดผมอย่าโกนผมได้ไหมผมมันไม่เดือดร้อนอ่ะ เราเอาไปเดือดร้อนแทนผมเพราะเราหวงเราไม่อยากให้หัวโล่นกันเราอยากจะให้มีผมจะได้มีหน้าตาหน้าดูหน้ารักหน้าชอบคนอื่นเห็นจะได้ชอบเราไม่เกลียดเราแต่พอเราโกนหวนัวนี่ไม่มีใครชอบเราละไม่มีใครอยากจะเป็นแฟนกับเราละเราจริงไม่อยากให้เขาโกนผมแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายต่อให้เรา แต่งร่างกายให้สวยงามขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราไม่สวยงามก็ไม่มีใครเขาอยากจะคบคาสมาคมกับเราหรอกเราให้เป็นนางงานเป็นดาราภาพยนตร์แต่ถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนไม่สวยงามความไม่สวยงามของเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่มีศีลหรือไม่มีศีลถ้าเรามีศีลเราจะเป็นคนสวยงามถ้าเราไม่มีศีลนี่ จะไม่มีคนเขาอยากจะคบค้าสมาคมด้วยถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติิตัตเอนีโกหกหลอกลวงชอบเสพสุรายามเมาเล่นการประนันเที่ยว ก, กลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกลียดข้านรับรองได้ว่าไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับเราหรอกแต่ถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนมีสีง เราไม่เสพอบายามุขอย่างพระสงฆ์องค์เจ้านี้ท่านโกนศีรษะหน้าตาของท่านไม่น่าดูแต่ทำไมเรากลับรักกลับชอบเพราะท่านมีความสวยงามที่แท้จริงท่านสวยที่ใจเพราะท่านมีศีลมีศีลทั้ง2องข้อไม่ดื่มสุราไม่เสพไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืนไม่เที่ยวการลเล่นต่างๆ ไม่เที่ยวดูการละเล่นดูละครดูหนังฟังเพลงต่างๆไม่คบคนไม่ดีเป็นมิตรไม่เกียจคร้านเราจึงรักเคารพพระภิกษุพระสงฆ์องค์เจ้า ก, กันเพอท่านสวยงามตัวท่านสวยงามแต่ร่างกายของท่านไม่สวยงามเราไม่ได้สนใจที่ร่างกายของท่านเราสนใจที่ตัวของท่านถ้าตัวท่านมีศีลดีสัต์ ท่านเป็นคนน่ารักเราจึงคบกับพระได้แต่ถ้าเราไปคบกับดาราภาพยนตร์ลหรือว่านางงามจักรกวาลที่ไม่มีศีลเราก็รับรองได้ว่าจะคบกับเขาไม่ได้อยู่กับเขาเขาก็จะลักของของเราโกหกหลอกลวงเราถ้าโกรธแค้นโกรธเคืองขึ้นมาก็ฆ่าเราอย่างนี้เราอยากจะอยู่กับเขาหรือไม่ นี่คือความจริงที่เราไม่รู้กันเพราะความหลงปิดตาของเราทำให้เราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายพอเราเป็นร่างกายเราก็ต้องแต่งร่างกายให้มันสวยให้มันงามเพื่อที่จะได้มีคนรักคนชอบเราแต่เราลืมมาแต่งตัวให้กับตัวเราเองเรากับไม่มีศีลไม่มีสัตว์กันเราจรึงไม่ค่อยมีคนรักเราชอบเรา ถึงแม้ว่าเราจะมีหน้าตาที่สวยงามมีเสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่ที่วิจิตพิศดาลแต่กลับไม่มีคนชอบเราเพราะอะไรเพราะเราชอบลักทรัพย์เราชอบประพฤติผิดประเวณีเราชอบโกหกหลอกลวงเราชอบดื่มสุรายาเมาชอบเสพอบายามุขต่างๆชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ถ้าเราเป็นอย่างนี้ไม่มีใครเขาจะชอบเราหรอก ต่อให้เรามีหน้าตาที่น่าดูหน้าชมสวยงามขนาดไหนก็ตามรับรองได้ว่าจะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับเรามีแต่จะจับเราไปขังคุกขังตารางเพราะปล่อยออกมาอยู่ข้างนอกเดี๋ยวก็จะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น <c oughs> นี่คือความจริงที่พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะพุทธเจ้าจึงต้องมาสอนพวกเราให้พวกเรารู้ว่า เราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้เราเท่านั้นเองอย่าไปหลงกับคนรับใช้จนลืมดูแลตัวของเราอย่าไปแต่งตัวแต่งหน้าทาปากให้มันสวยสดงดงามเสือมเส่มใส่เสื้อผ้าอภารท์ที่มีราคาแพงแพงวิจิตรพิสดารแล้วลืมมาแต่งหน้าทาปากให้กับตัวเรา ตัวเรานี่การแต่งหน้าตาปากให้กับตัวเราก็คือการมารักษาศีลที่เองถ้าเรารักษาศีลได้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีใครเกลียดเราจะไม่มีใครรังเกียจเราจะมีแต่คนชอบเรารักเรานี่คือความจริงที่พระเจ้าทรงสอนแต่พวกเราไม่ค่อยชอบฟังกันพวกเราไม่ชอบรักษาศีลกั น, กน จึงไม่ค่อยมีคนสอนเรื่องการรักษาศีลเราชอบความสวยความงามจึงไม่มีใครชอบฟังเรื่องความไม่สวยไม่งามของร่างกายเราไม่ชอบความแก่กันไม่ชอบความเจ็บไข้ได้ป่วยกันไม่ชอบความตายกันเราจึงไม่พูดไม่สอนให้เรามองความแก่ความเจ็บความตายกันพอเราเราไม่มองเราก็เลยม ลืมไปว่าเราคิดว่าเราจะอยู่ไปแบบไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันพอเราไปเจอความแก่เข้าเราก็ไม่สบายใจไปเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ไม่สบายใจเมื่อเจอความตายก็ไม่สบายใจทั้งๆที่เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่เพราะว่าเราไม่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาคอยสั่งสอนพวกเราอยู่เรื่อยๆนั่นเอง แต่ถ้าเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราไม่ชอบนี้มาสั่งสอนตัวพวกเราอยู่เรื่อยๆเราจะไม่ต้องทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปจนวันตายแก่ก็ไม่เดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนตายไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายนั่นเอง นี่คือคำสอนของพระพทธเจ้าถ้าเราไม่นำมามาปฏิบัติเราจะไม่เห็นคุณค่าเราจะรังเกียจเราจะไม่ไปสอนไม่ไปบอกใครเพราะเราไม่ชอบพอเราไปสอนคนอื่นว่าไม่ต้องไปพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องไปพิจารณาอสุภะเราก็จะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตาย ดับความทุกข์ที่เกิดจากการไปหลงรักร่างกายของคนอื่นได้พอร่างกายของคนอื่นตายไปก็ร้อ ง, องห่มร้องไห้เวลาเห็นร่างกายใครหน้าดูน่ารักก็อยากจะได้มาเป็นคู่ครองของตนแต่ถ้าเรามองเห็นความไม่สวยงามของร่างกายของเขาเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ที่มีอยู่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังเห็นโครงกระดูกของเขา เราก็จะไม่หลงรักเขาไม่อยากจะให้เขามาเป็นคู่ครองของเราเราก็จะอยู่คนเดียวได้อย่างสบายการอยู่คนเดียวได้นี้วิเศษกับการอยู่กับคู่ครองเพราะถ้าอยู่กับคู่ครองแล้วจะต้องมีเรื่องตามมาอย่างแน่นอนจะต้องมีความทุกข์ตามมาเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวเวลาไม่ได้เห็นหน้ากันก็คิดถึงกันห่วงใยกัน แล้วเวลาจากกันก็ต้องร้องห่มร้องไห้นี่คือความทุกข์ที่เราเดินเข้าไปหาเพราะเราไม่มีอสุภะเรามองไม่เห็นอสุภะความไม่สวยไม่งามของร่างกายถ้าเราเห็นความไม่สวยงามของร่างกายแล้วเราจะไม่อยากมีแฟนมีแฟนกับมีโครงกระดูกมาเป็นแฟนเขาอยากจะได้โครงกระดูกบ้างเขาอยากจะได้กระเพาะลาไส้บ้าง ใครอยากจะได้ปอดได้ตับได้หัวใจมาเป็นแฟนบ้างแต่นั่นแหละคือสิ่งที่เราได้มาเป็นแฟนของเราไม่เชื่อลองเปิดดูในร่างกายของแฟนเราดูว่ามีอะไรบ้างเปิดเข้าไปแหวกหนังออกมาแวกเนื้อออกมาเราจะเห็นชัดเจนว่ามีโครงกระดูกมีตับมีปอดมีหัวใจ <c oughs> มีลำไส้มีมีสมองมีน้ําต่างๆ น้ำดีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสเลของเหล่านี้มีอยู่ในร่างกายของคนเราทุกคนแต่เรากลับมองไม่เห็นกันก็เพราะว่าเราไม่ยอมมองกันถ้าเรามองนะ้วเราก็จะไม่หลงกับการที่อยากจะมีคู่ครองเพราะเราจะเห็นร่างกายที่เขาแต่งซ ส, สวยงามว่ามันก็มีอวัยวะต่างๆอยู่ภายใต้ผิวหนังดีๆนี่เอง เราก็จะไม่ต้องรักคนนั้นหลงคนนี้เวลารักเขานี่มันทุกข์เวลาเขาเปลี่ยนไปเวลาเขาไม่ดีกับเรานี่เราจะเสียใจมากเวลาเขาแอบไปมีแฟนคนใหม่เราจะเสียใจมากเวลาเขาจากเราไปเราจะเสียใจมากเวลาอยู่เราก็จะวิต ก, กังวลไม่รู้ว่าเขาแอบไปมีแฟนที่ไหนหรือเปล่า นี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการไปมีแฟนเพราะไปมองเห็นแฟนว่าสวยงามน่าน่ารักเพราะเราไม่ยอมมองส่วนที่ไม่สวยงามของเขาเพราะพระพุทธเจ้าจึงต้องมาสอนให้พวกเรามาพิจารณาอาสุภะกันมามองความไม่สวยงามของร่างกายกันถ้าเราเห็นความไม่สวยงามของร่างกายเราก็จะไม่หลงจะไม่มีความอยากจะมีแฟน เราก็จะอยู่คนเดียวได้อย่างสบายที่เราอยู่คนเดียวกันไม่ได้เพราะเราอยากมีแฟนพออยู่คนเดียวแล้วรู้สึกเหงารู้สึกว่าวีพอมีแฟนแล้วรู้สึกมีความสุขแต่ไม่รู้ว่าร่างกายของแฟนนี้ก็คือผีดิบดีๆนี่เองพอถ้าเขาไม่มีลมหายใจนี่เราก็ไม่ยอมอยู่กับเขาแล้วยกให้สับปเปลือกไปแล้วแต่ถ้ายังมีลมหายใจอยู่ เราก็ยังอยากจะอยู่กับเขานี่คืออำนาจของความหลงเพราะเราไม่ยอมคิดกันไม่คิดว่าเรากำลังอยู่กับผีดิบผีที่ยังหายใจได้พอเขาไม่หายใจปั๊บนี่ไม่เอาเลยยกให้สับเปลเเลยต่อให้รักกันมากขนาดไหนก็ตามพอเขาไม่หายใจแล้วไม่หวงละไม่หวงละใครอยากจะได้ยกให้เลยแต่ถ้ายังมีลมหายใจอยู่นี่ไม่ยอม ใครจะมาเอาไปนี่ฆ่ากันตายได้แย่งผีดิบกันแต่พอไม่หายใจท่านั้นไม่แย่งกันละมีแต่ยโยนให้คนอื่นกันเพราะความหลงของเราไม่ยอมมองว่าเขาเป็นผีดิบมองว่าเขาเป็นนางงามเป็นดาราภาพยนตร์รูปหล่อน่ารักน่าดูกันพอไม่มีลมหายใจในี่วิ่งห น, นีกันหมดเลยกลัวผีกันไปละ แต่เวลายังมีลมหายใจอยู่กับไม่กลัวเขานี่คือความหลงของพวกเราเพราะเราไม่มองความจริงกันพระพุทธเจ้าจึงต้องมาสอนให้พวกเรามองความจริงว่าร่างกายนี้มันไม่สวยไม่งามร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปรักอย่าไปหลงมันใช้มันให้เป็นประโยชน์มันเป็นคนลับใช้เราเราต้องการทาบุญ เอาใช้มันมาทําบุญเราต้องการรักษาศีลใช้มันให้มันรักษาศีลอย่าให้มันทําบาปอย่าให้มันไปลักขโมยอย่าให้มันไปประพฤติผิดประเวณีอย่าให้มันไปโกหกหลอกลวงอย่าให้มันไปเสพเชยายาเมาสอนมันให้มันมานั่งสมาธิให้มันมาฟังเทศฟังธรรมเพราะการกระทําเหล่านี้ จะทำให้ใจของพวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้นั่นเองนี่คือเรื่องของร่างกายถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ได้บรรลุเราจะไม่เห็นเรื่องของร่างกายเวลาเราไปสอนคนอื่นเราจะไม่สอนเรื่องของร่างกายเราจะไปสอนเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่พอพูดถึงเรื่องอสุภะนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายนี้จะไม่พูดถึง พอไม่พูดไม่สอนเขาเขาก็ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการไปหลงลักยึดติดกับร่างกายได้พอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาก็ทุกข์เดือดร้อนขึ้นมาพอเห็นร่างกายสวยก็อยากจะได้มาเป็นแฟนพอได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับเขาต้องมาห่วงมาห่วงเขาและเวลาเขาตายจากไปก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้นี่คือความหลง ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาแก้กันแก้ด้วยความจริงให้มองความจริงให้เห็นถ้าเราเห็นความจริงของร่างกายว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่สวยไม่งามมันไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่หลงไปยึดไปติดไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พอเราไม่หลงไม่อยากกับมันเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเราจะไม่อยากมีแฟนเพราะเราอยู่คนเดียวสบายกว่ามีแฟนแล้วก็ต้องมาทุกข์กับเขามายุ่งกับเขามาทะเลาะ ก, กับเขามีมามีเรื่องกับเขานี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราต้องศึกษาและนำไปปฏิบัติก่อน จนกว่าเราจะเห็นผลที่ได้รับจากการปฏิบัติแล้วเราถึงค่อยไปสอนผู้อื่นต่อไปถ้าไม่เช่นนั้นเราจะสอนแบบผิดผิดถูกถูกแล้วผู้อื่นจะนำเอาไปปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูกจะไม่ได้รับผลอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับผลจะไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจะไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าเราสเราศึกษาแล้วเราปฏิบัต จนเราบรรลุผลต่างๆได้แล้วแล้วเราไปสอนผู้อื่นเราก็จะสอนได้อย่างถูกต้องแม่นยาผู้อื่นนำเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถบรรลุถึงผลเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องแม่นยาเช่นเดียวกันนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่มีมาเป็นที่พึ่งของพวกเราพระพุทธศาสนาจะเป็นที่พึ่งของเราได้ก็ต่อเมื่อเราศึกษาคาสอน แล้วนำเอาคำสอนไปปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราจะไม่มีความทุกข์เราจะมีพระพุทธศาสนาเป็นที่ปกป้องคุ้มครองความทุกข์ทั้งหลายไม่ให้เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของพวกเราได้ต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาศึกษา เพื่อที่จะได้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาไปปฏิบัติเพื่อจะได้รับผลคือการดับของความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบงเพ็ญกันในวันนี้